Namotatsa, pagavato, arahato, sama, sambutatsa, namotatsa. Pagavato, arahato, sama, sambutatsa. Namotatsa, pagavato, arahato, sama, sambutatsa mi diwase san but per saya ka kati kami kata kate sina sukanya si kaspan si ni puting nya อโธสารายัสสะมะเณหิสกะจังธัมโมโสธัมโมสิณวันนี้เป็นวันณ การบำเพ็ญกิเลสเครื่องหัดการเค้า เสด็จเหล่าพี่แก่ราวีรัตน์และโบสถ์สศิลป์ การที่พวกเราทั้งหลายจะมาพร้อมกายกันทําเพราะหน้าที่ของ รัตนะไตรและแก่พระพุทธาภิสงฆ์และเป็นที่ ตามก็ได้พากันขวัญขวายมา มันจะปฏิบัติมาแล้วได้ก็ต้องแล 10 และก็ศีลยอง 2017 เมื่อได้มา เมื่อมีการสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนทัศนะกันและกันในชมรมก็อาการไปสู่โรงธรรมสภาศาลาแห่งนั้น เมื่อเมื่อผู้ดัดได้รับสัททาเราโคปัง เราเป็นต้นอันเป็นชื่อแรกเลยครับ ในและปัจจุบันและสังฆราเหล่านี้ย่ะหลาน กระทำไว้ในใจมือบายที่แยบคายแล้วก็จงตั้ง ขอเจ้าประคุณสําเร็จมหาวิงวติดโสวันวัด คือรักษานี้คําว่าศีลนี้ว่าจะเป็น 227 ย่อมเป็นปกติศีลนั้นนอก ถ้าจะเป็นนักบวชถึงเราบวชก็บวชตลอดชีวิตยังมี รักษาธรรมการอาจวันนึงได้คณะ 1 คู่นึงยามนึงหรือวันนึง 2 อาทิตย์วันละ 1 เรื่องบรรลัพเอ่อวันวันรับบรรพงค์เรื่องนี่มี คนนั้นเกิดขึ้นจากการรักษาศีลจึงมีและ บุคคลผู้เป็นกัลยาณชนหนุนโลกๆนั้นหมายถึง รากฐานมูลฐานที่ละเอียดในจิตนี่ความระอากับบาปปดหมายเรื่องกุโทษตบาปไม่มี เนื่องจิตดวงใจมีหิริอม อะไรทําให้การปฏิบัติจึงสําเร็จเพียงชาติ โมมวลมลรัฐทั้งหลายที่ปฏิบัติก็จะปัจจุบันซึ่งจะได้ดื่มกิน อารมณ์พูดโดยรักษาศีลนั้นจะตั้งอยู่ในความเป็นปกติความเป็นปกติมี Vocês turned it into the world ที่ว่าถ testify to punishment อีย低حรา watermelon ถ้าคนมี Mine declare themother ถูก Ug murder-job-job-job-job-job-job-job-job ถึงdon propose of punishment ถึงOr準-alterье-job-job-job-job-job-job-job-job служusterเป็น prospect of punishment นาษณ์แบบ นิเทศากำหนดถึงมูลรากที่มา ให้เกิดลุยขึ้นแก่ตัว ภาวนานั่นแหละคือมูลรากฐานที่จะก่อ ต้องการและปรารถนาที่จะรักความชั่ว นโยบายธรรมคําสอนของ 40 มีพุทธานุสติเป็นต้นวิปัสสนา หาเรื่องความรู้ความแจ่มแจ้งนั้นก็คือใจความสงบ การสมถะสมาธิให้เกิดขึ้นภายในดวงจิตต้น ใครเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรความรู้ที่วันนี้เราไม่ได้มาจากตาหูจมูกลิ้นไยหรือมโนทวารซึ่ง เลยลึกกว่าที่มันเป็นอยู่เจ้าเอามันลึกลงไปลึกกว่าที่มันเป็นอยู่กว้างออก ในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึง ถูกต้องครั้งหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งมันยังรู้ไม่ได้ ถ้าขยับขยายฉายแสงสว่างออกไปได้กว้างเท่า แต่พื้นฐานทั้งหมดก็ต่างกันเราลืมตากลางตาเราทั้งแสงทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งชาติทุกสิ่ง พี่เจริญรามันจนแหลกขบเเสียวมันจนแหลก เรียกว่ายกระดับไสยจิตของผู้นั้นในผล กิเลสในหัวใจของเราซ้ำด้วยซ้ำไปกิเลสในหัวใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูก ความสงบนี่แหละจะเป็นอริยศีล ปัญญาจะเป็นเครื่องสอดส่องจ้องมอง ลิ้นก็ 20 น้ำก็ 12 ลมก็ 6 ไฟ 4 เห็นมั้ยตลอดทั้งสีสันฐานรูปร่างของ ศึกษาเท่าไหร่ไม่จบเรื่องความรู้ภายนอก เดินคิดจนไม่มีอะไรจะคิดเท้าด้านนางเย็นต้นด้านคิดจนไม่เบื่อ แต่รู้แต่รู้แจ้งในเรื่องของกิเลสนั้นไม่ใช่เพียงรู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็เพ่งเพียนภาวนาเมื่อไม่รู้ไม่แจ้งก็พยายามเพ่งเพียนให้มันรู้ให้มันแจ้งขึ้นมาเมื่อมันแจ้งขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็กำจัดความสงสัยและครอบ เมื่อเราจะกําจัดความมืดที่ ในโลกเราเห็นมันก็สร้างความสงสัยเท่านั้นไหร่มันก็สร้างความสงสัยเข้มแข็งให้เราเท่านั้นเราได้ยินได้ฟังเท่า ไม่รู้จังหมดจักสิ้นมีแต่มากพอก ของตนของตนมีอย่างไรแล้ว ให้เป็นไปอันแท้จริงรัดกุมโดยคุณงามความดีทั้งภายลอกภายใน ก็จะไม่หลังไหลเลยจะไม่ลังไหลเลยไปจาก